ักธรรมเป็นหลักเห็นแจนประจันหลักคำขององสมมารู้แจนเห็นจริงองมักปฏิบักษ์ารราไม่ได้ชื่อว่าชีวิตเราเดินสายกลางเราเห็นชอบในอริยสัจตแจงแจ่มชัด ดำริชอบไปทุกทางพยายามชอบด้วยจิตรู้จากเล่าวาการงานชอบอยางสัตว์ุรุษทสุตผู้ด่งดองเลี้ยงชีวิตชอบประกอบด้วยเจราจาประลึกชอบมาคุ้มครองชีวิตหม ังใจชอบริงสงบนิ่งไปทุก้ารมณ์ผลทุกโศตรมด้วยอารมณ์องค์มรอรครรคชีวิตจึงมีคุณค่าสูสุดเนื้อกว่ามนุษย์ทั่วไปในโลกทั้งพอช่วยชาติบ้านเมือง ทางสายลา ประกอบด้วยเจรจาระลึกชอบมาคุ้มครองชีวิตเอสมตั้งใจจอดยิงสงบนิ่งไปทุกอารมณ์ผมผูกโกตรุด้วยอารมณ์องค์มารรอบรอ เพื่อป่าม น, นุษย์ทั่วไปในโลกทั้งพอ่อช่วยชาติบ้านมเมืองรุ่ ง, ร ง, งเรืองรุโรเรืองร้อรวมร้อมด้อมให้เจริญเดินทางสา